เออช่วงนี้เป็นช่วงกำลังสแสวงหาข้อมูลความรู้กันอยู่นะเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติกันได้ถูกเราเคยผ่านการอบรมกันมากี่ครั้งแล้วที่มากันเนี่ยถึงบ่อยไหมบ่อยใช่ไหม เอาลองยกมือขึ้นที่ใครเคยเจริญอาณาบรรณสติมาแล้วที่ฝึกในการเจริญอาณาบรรณสติมาเอาแบบเคยฝึกแบบเข้มข้นนะมีไหมแบบจริงจยังจังเลยเนี่ยเอาเป็นชีวิตเลยจะมีไหมมีไหมไม่มีนะ เออในช่วงนี้ก็ก่อนที่เราจะฝึกในเรื่องการปฏิบัติกันนะช่วงนี้เวลาสามโมงเท่าไหร่อ๋อแล้วสิบห้านาทีสี่โมงจะถึงสี่โมงครึ่งนะเอ อ, เ อ, อมาจะหลงประเด็นหลงเวลาอยู่เรื่อยเลย เลยเวลาชั่วโมงเดียวเอาช่วงนี้ในเวลาชั่วโมงเดียวเนี่ยถ้าหากว่าอามาพูดไปเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยเนี่ยคือโครงการที่เรามาจัดกันที่เนี่ยจัดในการคอสสมาปฏิบัตินี่ก็คือการมาฝึกในการที่จะเจริญคำว่าสา ม, มาริงแปลว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ย แปลว่าถูกต้องนี่นี่แปลว่าถูกต้องคําว่าปฏิบัติปฏิบัติศัพท์เนี่ยนีมันแปลว่าปฏิบัติภาก็ได้ปฏิบทาปฏิบัติปฏิบั ต, บตารเนี่ยคําำเดียวกันนะก็แปลว่าทางดําเนิน <c oughs> ทางดําเนินเป็นทางดําเนินที่ถูกต้อง เป็น้นทางที่ถูกต้องเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะทำให้ตนเองเนี่ยเดินได้อย่างถูกต้องดีงามเนี่ยทีนี้อยากให้เราทําความเข้าใจว่าคําว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่หมายเฉพาะแต่ตัวสมาธินั่งกรรมาฐานหรือการที่ไปวิจัยเรื่องนู้นเรื่องนี้เท่านั้น คำว่าปฏิบัติเนี่ยกินความตั้งแต่ไหนการให้ทานเรียกว่าปฏิบัติไหมเรียกไม่เรียกการรักษาศีลเรียกว่าปฏิบัติไหมการอบรมสมาธิการเจริญปัญญาก็เรียกว่าการปฏิบัติเลยใช่ไหมเพราะเป็นทางดําเนินเป็นข้อปฏิบัติทีนี้ในชั้นของคําสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามองสังเกตดูนะบางคนไปเข้าใจว่า ไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยก็คือการมานั่งหลับตาแล้วเวลาเดินก็ต้องเดินช้าๆเรียกว่าปฏิบัติใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าเดินธรรมดานี่เรียกว่าปฏิบัติได้ไหมเขาดูตรงไหนถ้าการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเขาดูว่าข้อมูลความรู้ความเข้าใจตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเช่นว่าถ้าหากว่า ในในสภาพของการที่เราจะเข้าสู่นะในความที่จะฝึกตนเองเนี่ยให้ถูกต้องให้ดีงามทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตอนสักครู่ที่ผ่านไปเราพูดเรื่องศีลเห็นว่าการปฏิบัติในศีลเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นเจตจำนงความจงใจในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยในขณะนั่งอยู่เนี่ยมีเจตนาได้ไหมมีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าได้ไหมเอายืน ในยาบทยืนเนี่ยเกจำงในกรณีที่จะงดเว้นจากการฆ่าได้ไหมไปตั้งในขณะยืนได้ไหมในขณะเดินได้ไหมในขณะนอนได้ไหมแต่โดยมากนอนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ใช่ไหมเขาเลยเว้นไงยาบทนอนเนี่ยเห็นไหมเราจะอยู่ในยาบทยืนก็ได้ยาบทเดินก็ได้อยาบบนนั่งก็ได้อยาบบนนอนก็ได้ก็สามารถที่จะงดเว้นจากการฆ่าได้ นั้นจิตที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยจิตที่ไม่คิดประทุสร้ายจิตที่ไม่ไม่โหดร้ายไม่ปองร้ายไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นและมีเจตจํานงมุ่งหมายด้วยว่าตอนนั้นน่ะคอสยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยืนมีความปลอดภัยนะเอา้าอย่างยอมนั่งอยู่ตรงนี้นะเอาละยอมตั้งใจนะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าจะเข้าหมู่โสมวดการปฏิบัติแล้ฝึกตนเองเต็มที่แล้วยอมก็ตั้งจิตเลย ตั้งจิตว่าเราเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าแล้วเพราะเราได้สมาทานตั้งมั่นแล้วแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเอ้าเราเป็นผู้ปลอดภัยหรือยังเราไม่ได้ทำกายกรรมของเราเนี่ยไปฆ่าเนี่ยไม่ไปฆ่าไปเบียดเบียนไ ป, ปรัทุสไล้ไข่แล้วยอมคิดยังตอนนี้ยอมคิดตามด้วยนะเดี๋ยวจะให้คิดตามไปด้วยในขณะที่อามาพูด แล้วยอมใจะได้รู้ว่าอ๋อปฏิบัติมันเป็นแบบนี้ก่อนในชั้นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่จะไปฝึกทําตนเองนั้นให้เป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิหรือมีปัญญาทั้งหลายในการที่จะไปรอบรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นต้นนี่ยอมตามไปด้วยนะฟังแล้วตามใช้ส่งใจตามไปด้วยว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าแล้วเราสมาทานเราตั้งมั่นในการที่จะไม่ ทำจิตของเราเนะี่ยคิดประทุษร้ายหรือไปคิดเข้นฆ่าใครยอมคิดตามไปด้วยไหมทีนี้ในขณะที่พิจารณาว่าโอ้ที่ว่าข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงก็คือไอ้คำว่าทำปานาธิบาสเนี่ยก็หมายความว่าการทําชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงหรือให้ตายไปโดยเร็วย่อมะ คำว่าชีวิตหมายถึงวมว่าอะไรหมายถึงไปตัดรอนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ขาดไปเขาเรียกรูปไปชีวิตหรือนามาชีวิตนี่แหละปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายนะวิบัตรหรือพินาศไปทีนี้ยอมให้สังเกต ด, ด้วยการรักษาศีลข้อแรกเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับใจเช่นโยงกับใจเอางี้นะยอมนั่งอยู่ตรงเนี้ยอมคิดให้คนอื่นเขาพินาศ ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้เอา ถ้าลองคิดยอมยอมอย่าไปคิดจริงนะถ้าคิดจริงมันเป็นพยาบาทมโนทุจริตแต่ยอมให้คิดให้คิดว่านะในอดีตเนี่ยเราเคยคิดให้คนเขาพินาศเช่นเราโกรธเคยโกรธใช่ไหมและก็ทําความโกรธให้เกิดขึ้นมาสักยะหนึ่งแล้วก็ดําหลีว่าขอให้ท่านผู้นี้จงพินาศ ขอให้ท่านผู้นี้จงวิบัติเราเคยเคยเคยเคยคิดแบบนี้ไหมเคยไม่เคยถามว่าคิดอย่างนี้บาปเกิดหรื อ, อยังเกิดหรื อ, อยังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นพยาบาทมโนทุจริตโทษของการคิดอย่างนี้แปลว่าเราได้ทำความ พยาบาทอาฆาตทำลายคนอื่นด้วยมนโนกรรมเรียบร้อยแล้วลักษณะอย่างนี้เขาเรียกฆ่าคนทางใจเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วด้วยถามว่ากรรมเหล่านี้มีโทษมากไหมมากหรือน้อยมากหรือน้อยใครว่ามากหรือน้อยเอาใครว่ า, าน้อยยกมือใครว่ามากยกมือจริงๆมาก ก็คือปานาิบาสนี่แหละแต่มันเป็นปานาิบาตทางใจนี่คือคราคิดให้เขาวิบัตทางใจผลของการคิดอย่างนี้จะทำให้ผู้คิดแบบนี้เป็นคนที่มีโรคภยัยไค้เจ็บมากอายุสั้นในปัจจุบันทำให้เป็นคนที่วิบัตได้ญาติเกวิบัตมีญาติมิกักวิบัต แล้วตนเองก็จะมีโรคภัยแค่เจ็บมากแล้วจักเป็นคนที่อายุสั้นถ้าตายกรรมนี้ให้ผลตกนรกเพราะครอบกรรมาบทถามว่าน่ากลัวไหมคนที่ไม่รู้นี่น่ากลัวไหมนี่คือความน่ากลัวว่าสําหรับคนรักษาใจตัวเองไม่เป็นถามว่าในยุคบ้านเมืองในยุคขนาดนี้ยคิดว่าคนทํามโนโทุจริตข้อนี้กันเยอะไหมเยอะไม่เยอะ นี้แหละคือเป็นความโหดร้ายที่มนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าตนเองกําลังทํากรรมอะไรลงไปว่ามนุษย์กําลังฆ่าเบียดเบียนตนเองประทุศร้ายตนเองโดยแท้ฉะนั้นคนที่คิดแบบนี้จะรักษาศีลไม่ได้จะปฏิบัติไม่ได้ต่อให้มาปฏิบัติได้ก็พังกรรมฐานก็พังหมดเพราะไปทํากรรมที่ครบกรรมบทแล้ว พอไปใช้มโนโทุจริตเนี่ยไปคิดประทุษร้ายคนอื่นคิดให้เขาตายคิดให้เขามีวิบัตินะคิดให้คิดให้ชีวิตของเขาวิบัติไปอันนี้เป็นพยาบาทเป็นมโนโทุจริตและไปเชื่อมโยงกับศีลข้อที่หนึ่งด้วยถ้าศีลข้อที่หนึ่งคิดให้เขาวิบัติ ด, ด้วยแล้วก็ไปทาการฆ่า ทำชีวิตเขาให้ตกล่วงด้วยเห็นไหมว่าทีนี้ถามต่อว่าทางกายกับทางใจเนี่ยกรรมอันไหนหนักกว่ากันคิดพยาบาททางกายกับการที่ไปฆ่าทางกายกับความคิดพยาบาททางใจอันไหนกรรมนั้นมันแรงกว่ากันกรรมอันไหนแรงกว่ากันเห็นไหมว่า มโนมโนกรรมเนี่ยมันมีผลมากเพราะมันไม่ได้ไปคิดครั้งเดียวมันไม่มีใครคิดให้คนอื่นวิบัติครั้งเดียวหรอกมันคิดซ้ํซๆๆซๆๆๆๆำบางทีคิดเป็นวันก็มีคิดมากนี่คือคือความโหดร้ายมากในด้านของด้านจิตใจนี่นี่แหละคือเราต้องไม่ให้ใจของเรามันเป็นแบบนี้ ฉะนั้นการสมาทานศีลข้อแรกเนี่ยไปเชื่อมโยงกับใจนะต้องต้องตั้งใจให้ดีนอกจากงดเว้นจากการฆ่าแล้วพอหรือยังใจต้องเป็นไปกับอะไรด้วยใจต้องเป็นไปกับเมตตาความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแล้วก็ปรารถนาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้มีอายุยืนเถิด ถ้าทําได้อย่างนี้หนึ่งศีลเกิดไหมเกิดแล้วระ ง, งับอะไรได้ด้วยระ ง, งับพยาบาทในใจได้ด้วยที่เป็นมโนทุจริตถ้าไม่ทําอย่างนี้ศีลเกิดหรือไม่เกิดเกิดไหมเอา้าตอนนี้ลองทําข้อ น, นี้ให้เกิดดูทีทํามาเลยนะให้ปฏิบัติเลยนะตอนนี้ก่อนนะฝึกก่อนถ้างั้นใจมันจะไม่อ่อนโยนเวลาไปนั่งกรรมฐาน ม, มันจะไปไม่ได้นะ เอา้าวทำยังไงให้นึกถึงใครดีเอานึกมาที่พระนี่ก็ได้นึกง่ายดีด้วยใช่ไหมนึกยังไงให้ให้ให้สมาทานในใจว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีกายบริสุทธิ์แล้วมีวาจาบริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลมีอย่างข้าพเจ้ามีเป็นคนมีศาลาณะไหมมีศาลาณะหรือไม่มี ข้าพเจ้าเป็นคนมีสรารณะเป็นผู้มีศีลได้ไหมเด้งงดเว้นจากการฆ่าแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจะาให้ความปลอดภัยในชีวิตสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากอะไรขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีเวรขอให้พ้นจากอะไร ให้พ้นจากเวทสัตว์ทั้งหลายที่มีภัยขอให้พ้นจากภัยสัตว์ทั้งหลายที่มีความโศกก็ขอให้พ้นจากความโศกด้วยขอให้มีอายุยืนขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถามว่าต้องคิดขึ้นเองหรือว่าท่องคิดหรือท่องต้องให้ใจไปด้วยไหมเอาไปไหม ใ, หใจเราน้อมไปจริงๆมิมตอนนี้เมตตาเกิดม เกิดไม่เกิดทําไมหน้าตาเศร้าๆเมตตามนะมันเมตตามันยิ้มหรือหรื อ, รอมันเศร้าหมองเมตตามันผ่องใสนะเอาลองหลับตาดูทีหลับตาลองคิดให้ศีลข้อแรกเกิดดูทีนะทดลองดูนะให้นึกก่อนว่าเราเป็นผู้มีสารณะ เราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะขอถึงพระธรรมเป็นสารณะขอถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยข้าพเจ้าเป็นคนมีสารณะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้างดเว้นจากการฆ่าแล้วเราจะเราให้ความปลอดภัยในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีเวรให้พ้นจากเวรที่มีภัยพ้นจากภัย ที่มีทุกพ้นจากทุกที่มีความโศกขอขอให้พ้นจากความโศกขอให้กระแสะชีวิตกครื่องสทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนปราถนาสิ่งดใดสมปราถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้ใจไปจริงๆนะไม่ใช่ท่องตามที่อาตมาพูดแต่มันสามารถที่จะน้อมน้อมใจอะแล้วให้ดูที่ว่าสภาพใจมันผ่องใส มันล่าเริงจริงๆว่าเออขอให้นะเอานึกถึงใครนึกถึงสงก่อนขอให้พระสงฆ์เหมือนบอกว่ า, าข้าพเจ้าเป็นคนมีศาสนาเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้างดเว้นจากการฆ่าแล้วขอสมาทานอย่างมั่นคงด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเชื่อมั่นในเหตุและผลเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรม ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มือไม่เปื้อนเลือดแล้วไม่ไม่มีจิตคิดปทุสสายไม่โหดร้ายอีกแล้วขอให้พระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนขอให้กระแสชีวิตของท่านจงอยู่ยืนยาวนะให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้ท่านเจริญในศีลสมาธิปัญญาประพฤติปฏิบัติเข้าถึงมากผลนิพพานในปัจจุบันพบโดยเร็วด้วยเถิดเนี่ยคิดอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้น อา้าวลืมตาดูทีคิดได้ไหมไปไหมใจมันไปไหมไปไม่ไปใจมันเอื้อมออกไปไหมยื่นออกไปไหมแล้วมีความผ่องใสไหมมีไม่มีเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยฝึกเป็นทีครึก ท, ท, ทีเร้วข้อข้อแบบนเนี้ยอยู่นี่ฝึกให้ศีลมันเกิดจริงๆแม้เดินอยู่ฝึกได้ไหมฝึกให้เกิดแบบนี้ได้ไหมแล้วต้องฝึกอย่างต่อเนื่องไหม เดินหรือยืนเนี่ยก็ฝึกให้เกิดฝึกให้เกิดไม่ใช่เฉยๆไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดอันนี้เขาเรียกมันไม่ได้ผลจะจะไม่ได้ผลถ้าไมไ่ฝึกแบบนี้จะไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วเวลาไปเจริญสมาธิไปเจริญกรรมฐานอื่นๆไปไม่เป็นไปมันเป็ดง่อยอะ่ะเคยเห็นเป็ดง่อยไหมเดินไม่เป็นหรอก กรรมฐานเนี่ยเขาขับเน้นด้วยใจล้วนล้วนล้นล้ว น, วนต้องฝึกให้เป็นเอาลองฝึกข้อแรกไปดูนะใครฝึกไม่ได้ยกมือขึ้นหรือเห็นไหมว่าทํางานทางใจเนี่ยเอามาจะไม่รู้เลยนะว่าใครคิดหรือไม่คิดเนี่ยตอนเนี้จะไม่รู้หรอกหรือทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครกำลัง คำกุศลศีลให้เกิดได้จริงไหมคําว่าให้อภัยอ่ะให้อภัยก็คือให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีเวรภัยไม่ทําตนเองให้เป็นที่หวาดระแวงของใครเขาเรียกให้อภัยนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยต้องฝึกให้เกิดจริงๆนะเอาเวลาเราเจตนาเรา งดเว้นจากการฆ่าาปกติเราอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ไปฆ่าใครอยู่แล้วใช่ไหมด้านกายเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปพูดประทุษร้ายใครอยู่แล้วด้านวาจาแต่ใจละ่ะใจเป็นยังไงได้ควบคุมไหมได้ดูแลไหมนั้นจิตใจเนี่ยให้เชื่อมโยงกันว่าอ๋อที่เราฆ่าเนี่ยเพราะเราอะไรเนี่ยบางทีมันเกิดความโลภในทรัพย์เขาบางทีมันเกิดความโกรธอยากประทุษร้ายเขา บางทีก็เกิดมุมมัวเมาลุ่มหลงเป็นต้นนี่แหละฉะนั้นทาจิตฝึกจิตของตนเองเนี่ยให้ให้สอดคล้องกับการกระทําด้วยก็คือมีเจตจำนงมีความจงใจมีความตั้งใจพิจารณาว่าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีศารณะแล้วฉะนั้นชีวิตของเราปลอดภัยแล้วเราให้ความ เราให้ความไม่มีเวรภัยเรามาเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทีนี้พอให้กับสงและต่อไปนะเอ่ย ม, มันจะเชื่อมโยงกับเมตตานะศีลเนี่ยเชื่อมโยงกันนะเนี่ยผู้มาปฏิบัติธรรมที่ยัวพุทธทั้งหมดเราคิดถึงใครก็ให้ความรักความปรารถนาดีบอกว่าท่านทั้งหลายในทํานองอย่างนั้นในทํานองว่า ท่านอยู่ต่อหน้าเราท่านมั่นใจเถิดชีวิตท่านปลอดภัยแล้วเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของท่านขอให้ท่านมีอายุยืนนะให้ท่านพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บเราจักไม่เบียดเบียนกระแสชีวิตของท่านเลยด้วยกายด้วยวาจาแม้ด้วยใจก็จะไม่คิดให้ท่านวิบัติขอให้ท่านจ o มีความสุขเพราะเราเป็นผู้มีสารณะเพราะเราเป็นผู้มีศีล เราเป็นผู้มีใจงดงามที่เป็นไปกับเมตตาลากปรารถนาดีเอื้อท อ, อนมองออกไหมเออนี่คือศีลข้อแรกทำทำได้ไหมนี่ข้อแรกทำได้แล้วนะเอาไปฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องไหมต้องทำต่อเนื่องทำตลอดไหมต้องทำบ่อยๆทำให้เกิดบ่อยๆนะเอาข้อต่อไป ข้อที่สองคืออะไรบาลีเขาว่าไงท่องได้คล่องเลยนะแต่ไม่ค่อยจเจริญนี่แหละอธินนาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิแปลว่าอะไรข้าพระเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการเอาชีวิตเออเอาทรัพย์สมบัตินะของบุคคลอื่นหยิบ ช่วยเอาสมบัติของบุคคลอื่นด้วยการยิงกระโมยใช่ไหมเรางดเว้นใช่ไหมถามว่าเราไม่รักอยู่แล้วใช่ไหมกายวาจาเราเนี่ยไม่ได้รักอยู่แล้วแต่ทางใจเราอะมีแอบอยากได้ของคนอื่นไหมวิธีวิธีเจริญตรงนี้ในยะเดียวกันนั่นแหละเราสมาทานหรื อ, อยังเราสมาทานราเร า, เรา เราเป็นผู้มีสารณะหรือยังมีพุทธัทงสารนังกฉามีธรรมังสารนางกฉามีสังขังสารนังกฉามีเราเป็นผู้มีสารณะเราเป็นผู้มีศีลสมาทานตั้งมั่นใช่ไหมว่าจากไม่เอาทรัพย์สมบัติบุคคลใดของคนงคนงอื่นมาเป็นของตนเองด้วยการเอะขโมยทีนี้ให้สมาทานบอกว่าเราจะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใช่ไหม ให้ตั้งใจว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกายสะอาดแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีวาจาสะอาดแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีใจสะอาดแล้วเราให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยแลกให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านทั้งหลายด้วยฉะนั้นทรัพย์ของท่านผู้ใดให้นึกตามนะทรัพย์ของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นัน้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขกับทรัพย์สมบัติของตนเองและจงเป็นผู้ที่สมหวังในทรัพย์ของตนเองและมีความสุขในทรัพย์สมบัติของตนเองเถอเราจะไม่น้อมเอาทรัพย์ของท่านเหล่านั้นมาเป็นของตนเองเลยแม้ด้วยกายแม้ด้วยวาจาโดยเฉพาะแม้ด้วยใจข้าพเจ้าก็จะไม่น้อม แถมยังปราถนาให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศินเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิถามว่าคิดอย่างนี้บ่อยๆแต่และบุคคลแต่และบุคคลถามว่าอย่างนี้การปฏิบัติดําเนินไปหรื อ, อยังดําเนินหรื อ, อยังนี้แหละการปฏิบัติเริ่มดําเนินแล้วแต่ถ้าไม่น้อมแบบนี้ไม่คิดอย่างนี้ ไม่น้อมในการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างนี้จะเรียกว่าการปฏิบัติหรือยังไม่มีการปฏิบัติเดินได้จริงเลยเป็นได้แค่รูปแบบแต่เราจะไม่ประพฤติหรือปฏิบัติทำแค่รูปแบบเราจะน้อมในการที่จะยังจิตของตนเองนั้นน่ะในการที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตและในทรัพย์สินของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นจริงๆ สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยืนสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มากโดยรับรั์ของท่านผู้ใดจงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่คิดน้อมนำเอารั์ของบุคคล น, นั้นมาเป็นของตนเองนะกายเราก็จะไม่ไปโชกฉ่วยเอาวาจาเราก็จะไม่พูดเพื่อต้องการรั์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองด้วยอาการที่ไม่ชอบแล้วให้คาความปลื้มใจนะโมนะ เราเป็นผู้ปลอดภัยแล้วเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีกาลยาณธรรมเราได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตและในทรัพย์สินของสัตว์ทั้งหลายแล้วเราเป็นอุบาสิกาในพระรัตนตรยัยเราเข้าใกล้พระรัตนตรัยแล้วเนาะดีจริงเนาะเนี่ยกระแสชีวิตของเราเนี่ยใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าใกล้ชิดต่อพระธรรมใกล้ชิดต่อพระสงฆ์ Blue ตอนนี้ธรรมะคือการงดเว้นจากการฆ่าได้เกิดไหลอยู่ในใจของเรามีเมตตาแล้วธรรมะคือการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของบุคคลอื่นด้วยก nah, ารเห็นขโมยได้เกิดขึ้นกระจใยเราแล้วเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์อื่นแล้วเราให้เราได้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายื้ยืนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มากได้ทรัพย์สมบัติขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุข ก, การที่ไม่มีโรคภัยแค้เจ็บเบียดเบียนขอให้สัตว์ต่างหลายจงเป็นผู้มีความสุขกับการได้อยู่กับทรัพย์สินเงินทองตนเองใช้ทรัพย์เหล่านั้นในการทําความดี ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดจิตเดินไหมความรู้สึกน้อมไปไหมไปไม่ไปนี่ได้กี่ข้อแล้วได้เริ่มเจริญกี่ข้อแล้วนี่ก็เรียกศีลเริ่มเจริญเจริญคือเพิ่มพูนขึ้นทําให้มีทําให้เกิดทําให้เป็นขึ้น จากศีลธรรมดากลายขึ้นถึงภาวนาแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วพัฒนาแล้วอันเดียวกันแหละสับเดียวศีลเริ่มพัฒนาได้ยังพัฒนาไปว่าเกิดบ่อยไหมเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่เขาเรียกพัฒนาเยอะ ว, วฒัฒนาก็ได้พัฒนาก็ได้ภาวนาก็ได้เลยจะพูดไปนี่เกิดขึ้นยากไหมไม่เคยรักษาศีลแบบนี้มั้งเนี่ยเคยไหม ไม่เคยเลยอ่ะนี่เขาเรียกรักษาศีลแบบอะไรแบบแบบทำให้เจริญขึ้นทำให้เกิดทำให้เป็นเนื้อเป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาศีลแบบตั้งรับและถอยร่นนี่วแบบ่าักษาศีลแบบลุกไหมลุกเดินหน้าฝึกฝนพัฒนาเอาสองข้อคล่องหรือยังฝึกนะที่พูดทั้งหมดนี้ให้ฝึกนะไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆนะ ง, งั้นมัวเสียเวลาเลยเงี้ยไม่ใช่นั่งมือมือลอยๆยนะฝึกให้เกิดนะเนี่ยฝึกไม่ฝึกอย่านั่งมึนมึนนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนมึนนะฝึกให้เกิดจริงๆเพราะและเราจะเห็นคุณค่าเราจะเห็นคุณค่าของการมีกุศลศีลเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ต้องไปมัวจดนะ ฝึกเลยฝึกทําให้เกิดเลยถ้าไปจอดไปเนะี่ยมันจะไปอยู่ในตํารานะมันจะไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนะโลกุโสราศีนนะ่ยถ้านั่งอยู่เฉยๆมันจะไม่เกิดโอ้โหถ้านั่งอยู่เฉยๆแล้วเกิดโหมันก็สบายที่มนุษย์ไม่ต้องทําอะไรแล้วมันเกิดเองเนี่ยเอาไปนั่งไปนั่งอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยบ้านมันสะอาดเองได้ไหมไม่มีทางหรอกต้องฝึกตรงนั้นแหละต้องทํา อาข้อสข้อสมนี่มีสองกรณีนะถือศีลหกับศีลแถ้าศีลแปนี่แปลว่าพรหมจริยาพรหมจรั์คือการประพฤติพรหมจรันพรหมจรันหรือพรหมจรมจิยาก็แปลว่าการคลองชีวิตอันประเสริฐเนี่ยพวกเราเนี่ยตอนนี้เรามาสมาทานศึกษาบท8ประการเนี่ยเขาเรียกวาการคลองชีวิตอันประเสริฐ ทีนี้การคลองชีวิตอันประเสริฐที่จะกการถือพรหมจรรย์ได้เนี่ยถามว่าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับคู่ครองเลยทั้งชีวิตเนี่ยถือว่าเขาถือพรหมจรรย์ไหมเช่นเขาก็อยากมีแต่ไม่มีอ่ะก็เห็นไหมหล่ะหรือเขาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องมีอ่ะเช่นมันหาไม่ได้บ้างหรือมันไม่ไม่พร้อมบ้าง ถามว่าใช่ไหมชีวิตแบบนั้นใช่ถือพรหมจรรย์ไหมหรือไปถูกกักขังอยู่เนี้ยเขาไม่สามารถจะมีคู่ครองกับใครได้เนี่ยเอาจับสัตว์สักตัวหนึ่งก็ได้เอาแมวก็ได้สุ น, นัข ก, ก็ได้เอาปลาตะเพียนก็ได้ไปใส่ตู้ขังไว้แล้วไม่ให้เขาเกี่ยวข้องกับคู่ครองว่าจะบอกว่าเนี่ยสัตว์ประเภทนี้เขากําลังประพฤติพรหมจรรย์ได้ไห ม, ไ ด, ไ, หมได้ไม่ได้ไม่เรียกหรอก เห็นไหมการพืชปรมจรันเน่นอกจากตัวเราพลากออกมาแล้วใจเราต้องไม่น้อมไปเปรอะเปื้อนกับเรื่องนั้นด้วยจิตเราต้องไม่น้อมไปเปรอะเปื้อนหรือไปเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นด้วยด้วยการสมาทานการครองชีวิตอันเปรเสริฐอาการของคนคู่เนี่ยศีลมันจะพัง มันจะมีโทษหนักด้วยนะเช่นเราสมาทานว่าข้าพเจ้าจะถือพรหมาจรรย์งดเว้นจากการกระทำของคนคู่ของคนคู่ก็คือยินดีในสัมผัสใช่ไหมยินดีในการสัมผัสกับเพศตรงข้ามยินดีในการเห็นเพศตรงกันข้ามยินดีในเสียงเพศตรงข้าม ยินดีในกลิ่นเพศตรงข้ามยินดีในความงดงามในเพศตรงกันข้ามอันนี้กายประพฤติพรหมจรรย์แต่ใจไม่ประพฤติเข้าใจไหมล่ะเนี่ใจไม่ประพฤตจริงหรอใจไม่สะอาดใจไม่บริสุทธิ์เพราะยังเป็นคนที่มีจิตใจสกรปรกอยู่เลอะเทอะอยู่เปื้อปื้อนอยู่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการคลองชีวิตอันประเสริญนั้นคนที่จะคลองชีวิตอันประเสริฐได้แปลว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์ เอี่ยมอ่องพองแผ่ไรมุนทินด้วยการสมาทานและตั้งใจเราเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษการไปหมกมุ่นในเพศตรงกันข้ามที่เราจะต้องไปมองด้วยตันหาราคะด้วยความติดใจไฝ่กระสันด้วยความร่านหลนทยานอยากที่เราต้องไปฟังเสียงเพศตรงกันข้ามแล้วเกิดราคะเกิดความกำหนัดเกิดความยินดี ที่เราไปได้กลิ่นเพศตรงกันข้ามแล้วเกิดราคะเกิดความโมเมาแล้วก็ได้สัมผัสเพศตรงกันข้ามได้มือด้วยสัมผัสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเกิดราคะเกิดความโมเมาแล้วก็ด้วยการที่ไปหมกมุ่นทางด้านใจทั้งหลายไปเพิบเพิมไปเพิ่พฝันไปเลื่อไปเลือนหลงในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นเราบอกชีวิตเหล่านี้เป็นชีวิตไม่อิสระไม่เสรีภาพเป็นชีวิตที่ยังจมปักอยู่ยังจมไปกับความทุกข์ หมกมุ่นกับกามเหล่านี้อยู่ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการประพฤติอันไม่ประเสริฐนั้นขอให้ข้าพเจ้ามาสมาทานประพฤติในชีวิตอันประเสริฐก็คือการมาอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามกับคู่ครองใช่ไหมเออนี่คือนี่คือการรักษาพรหมจรรย์ เราต้องการมาอยู่ในภาวะอย่างนี้ไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจตัณหาไม่ตามใจความอยากจะไม่ไม่ให้ความทยานอยากมาร่านลนในจิตใจของเราเกิดความทยานเพ้อฝันขอสมาทานมุ่งมั่นในเนคขมะบา ร, รมีเนคขมะปฏิบัตนอออากกาิน้อมออกจากกามนะ้อมออกจากกามนะฝึกฝึกใจของตอนเองให้เป็นไปกับกุศล แล้วฝึกจริงๆนะมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการที่จะครองชีวิตอันประเสริฐนี้จะปฏิบัติในชีวิตอันประเสริฐนี้ให้ดีที่สุดแล้วฝึกตนเองให้เต็มเปี่ยมให้เต็มศักยภาพที่ควรจะเต็มที่ควรจะทำเพราะเราเห็นจุดหมายเห็นมุ่งหมายเห็นเป้าหมายว่าการกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศนี่เป็นเป็นข้อนี้แต่ถ้าหาข้อของ กาเมเนี่ยมันจะน้อมไปยังไงบอกว่า <c oughs> สัตว์ทั้งหลายที่หนึ่งเราจักไม่ <c oughs> เราจักไม่น้อมนะบุคคลอื่นนะบุตรภรรยาญาติมิตรของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นนะมาเป็นของตนเองคู่ของท่านผู้ใด ก็จงเป็นของคนคนนั้นคู่ครองของใครบุตรของใครภรรยาของใครสามีของใครใช่ไหมบริวารของใครก็จงเป็นของคนคนนั้นข้าพเจ้าจะไม่น้อมบุตรภรรยาสามีญาติมิตรของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเอง ข้าพเจ้าจะไม่ทำจิตให้ยินดีฟั่นเฟือนหรือเลื่อนหลงอยากได้บุคคลอื่นหรือเพศตรงข้ามเนี่ยเอาอมาเกี่ยวข้องในกระแสชีวิตของตอนเองด้วยราคะด้วยความกาหนัดข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นผู้มีกัลยาณธรรมท่านทั้งหลายจะงมีความสุขกับคู่ครองของตอนเองเธอะและจงมีความปลอดภัย ข้าพเจ้าให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาในคู่ครองของท่านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ด้วยใจข้าพเจ้าก็จะไม่น้อมจะไม่น้อมบุตรภรรยาญาติามิตรของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองเลยเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีสารณะข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายจะมีความสุขในบุตรภรรยาญาติามิตรของตนเอง แล้ว ส, สมัครสมานสามคัคคีกลมเกลียวกันมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะได้ไหมข้อนี้ได้ไหมยากไหมอา้าไม่ยากฝึกเดินความคิดไปถ้าไม่ทำมันจะไม่เป็นเลยนะเราอยากคิดว่าง่ายนะถ้าไม่เคยฝึกเนะี่ฝึกคิด แต่ต้องจิตที่เป็นกุศลด้วยทีนี้ให้สังเกต ด, ดูว่าเมื่อฝึกอย่างนี้แล้วคุณภาพจิตเป็นยังไงให้สังเกตนะจิตใจเป็นยังไงนี่เราได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแล้วให้ความปลอดภัยในชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทรัพย์สมบัติของคนทั้งหลายแล้วให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลทั้งหลายแล้วโอ้เราเป็นคนมีสระนเราเป็นคนมีศีลเราเป็นคนมีกัลยาณธรรมเห็นหรือยังเห็นตัวกุศลศีลเกิดในตอนหรือยังตอนนี้กุศลศีลเริ่มเริ่มเริ่มกำลังเจริญขึ้นสักนิดหรือย oh, ังเนี่ยเจริญไหมเห็นไม่เห็น พอจะมีแววเกิดไหมเนี่ยศีลเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามาธรรมเป็นนามาธรรมเกิดที่ใจเนะแล้วมันจเจริญออกแบบนี้มันจเจริญด้วยการให้ให้อาหารรดน้ําพ่ดินอย่างนี้ได้เหตุปัจจัยอย่างนี้มันถึงเกิดถ้านั่งซึมซึม ง, งอยงอยเงาเงาโง่โง่โง่ศีลเกิดจเจริญและงานนี้จเจริญแล้วงานนี้จเจริญแล้ว เห็น <formation jin inh. ihood> ั้มน er <invent> <division> ี่ศีลเป็นแบบนี้แหละทีนี้เอาทางวาจาบ้างทางวาจาเนี่ยจะมีพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนะทางวาจานี่นะ อีกทีนี้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่นิ่งๆที่ไม่ได้พูดเนี่ยเพราะเพราะเราละการพูดเท็จได้หรื อ, อยังละได้หรื อ, อยังไม่ใช่เพราะยังไม่ได้เหตุปัจจัยที่จะพูดใช่ไหมฉะนั้นให้สมาฐานว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะงดเว้นจากการพูดเท็จ นั้นจะพูดแต่คําสัตว์คําจริงสองจะพูดคําที่เป็นประโยชน์จะไม่พูดให้คนเขาแตกแล้วแตกสามัคคีกันจะไม่ยุยงจะไม่ส่งเสริมจะไม่เห็นดีเห็นงามกับคนที่เขากําลังพูดเท็จเรานึกที่เราเห็นคนพูดเท็จเราดีใจไหมชอบใจไหม เราเห็นคนกำลังปลุกปั่นปลุกระดมให้คนเขาเกลียดกันชังกันน่ะให้แตกแยกกันน่ะเราดีใจเราชอบใจเืยเราโกรธเขาไหมถ้าไปชอบใจก็ผิดอีกไ่โกรธเขาก็ผิดอีกนะเออเนี่ยหมาทานว่าเราจะไม่เราจะไม่พูดเท็จเราจะกล่าวคำสัตย์คำจริงนะเราจะไม่พูดส่อเสียด และในขณะเดียวกันก็จะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้แล้วก็ไม่ชอบใจไม่พอใจจะไม่ทําความพอใจหรือเกียจชังคนที่พูดยุยงส่งเสริมไม่คนก็แตกกันได้จะมีความปรารถนาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้สมัครสมานสามคัคคีปองดองเอื้ออาทรต่อกันมีความรากักมีความสนิทสนมมีความกลมเกลียวกันเถอะ นี่หมน้อมใจไปลักษณะนี้แล้วจะพูดคําที่เหมาะแก่การเหมาะแก่บุคคลแล้วก็ถ้าจะพูดก็พูดด้วยเมตตาไม่ได้พูดคําหยาบเห็นไหมว่าหนึ่งจริงสองมีประโยชน์สก็คือถูกกาลถูกเวลา4ี่ก็เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นเกิดความรักให้เกิดขึ้น อรุนาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในใจให้คอยสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สมัครสมานสามคัคคีปองดองกันอย่าแตกล้าวกันอย่าด่าทอกันอยา่าโกหกกันให้สัตว์ทั้งหลายอย่ากล่าวคาหยาต่อกันเราเป็นผู้พ้นแล้วเราได้สมาทานตั้งมั่นแล้วเราจะพูดก็จะพูดแต่คำที่จริงคำที่มีประโยชน์คำที่เหมาะแก่การ จะพูดก็พูดด้วยเมตตาเท่านั้นเราจะงดเว้นจากวจีทุจริตเราได้สมาทานแล้วเราเป็นผู้หลุดเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีวาจาสะอาดเราเป็นผู้มีวาจาบริสุทธิ์แล้วเราได้พูดคําสัตย์คําจริงแล้วเราได้พูดคําที่เป็นประโยชน์แล้วเราได้พูดเหมาะแก่การเป็นต้นแล้วเราจะพูดก็จะพูดด้วยเมตตาเห็นไหมพอคิดสมาทานตั้งมั่น ละลึกอย่างนี้เห็นไหมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมาทานจนถึงเวลาขณะนี้ในสี่โมงนะนะในสี่โมงกว่าแล้วเนี่ยจนถึงเวลาขณะ น, นี้โอ้ยเราได้งดเว้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ก็เรียกงดเว้นจากการกล่าวเทศประการต่อมาคือว่าเราสมาทานไม่เอาของมึนเมา มีสุลาเป็นต้นมาใส่ในกระแสชีวิตแปลว่าอะไรเราให้ความไม่หวาดกลัวตอนนี้ไม่หวาดสะดุง้งให้ความไม่หวาดสะดุง้งให้ความไม่หวาดกลัวแกสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่นั่งใน ท, ที่เนี้ยไ ม, ไม่ไม่น่าระแวงแล้วพระก็ไม่ระแวกเราเราก็ไม่ระแวงพระเนะี่ยเพราะรู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีของมืนเมาในกระแสชีวิต เป็นผู้ไม่ทําตนเองให้ขาดสติสัมปชัญญะยอมให้สมาทานในใจว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนอะเราสมาทานให้ความไม่หวาดระแวงแก่บุคคลอื่นแก่สัตว์อื่นแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องหวาดระแวงเราสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องกลัวเราสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องมาทุกข์ใจเพราะเรา เพราะเราเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีไม่มีของมึนเมาไปปัทุสไลายในชีวิตเราเราได้ห้อยความปลอดภัยเขาแล้วให้หรือยังให้ความปลอดภัยเห็นไหมเพราะสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์เพราะในตัวของเราเนี่ยไม่มีของมึนเมาเลยทุกชนิดนี่ไง สติสัมปชัญญะเราก็ดีบาปอกุศลก็จะไม่เกิดเราก็จะไม่เป็นสัตว์ที่โหดร้ายเราก็ไม่สัตว์ที่ไม่คิดประทุษร้ายใครไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินใครไม่คิดจะประพฤติผิดบุตรภรรยาใครเป็นต้นไม่คิดจะกล่าวเท็จเป็นต้นในะให้ระลึกอย่างนี้นะนี่ตัวกุศลศีลแล้วต่อมาตอนนี้เป็นเรื่องการฝึกตนเองไม่เห็นกิกเลสไม่เห็นก่การกินนะ ก็คือสมาทานว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มัวเมาในการกินเห็นแก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องข้าพเจ้ามาสมาทานมาตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไม่ไหวหวั่นข้าพเจ้าตั้งมั่นปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่เห็นแก่ความอยาก ทำตนเองให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ขัดเกลาตนเองได้เป็นผู้มีศีลทำตนเองให้เป็นผู้สะอาดไม่เห็นแก่ปากไม่เห็นแก่ท้องไม่เอาอาหารมาบุบเบลิบลเล อ, อกระแสชีวิตของตอนเอง <S <S เพราะเราได้สมาทานตั้งสัจจะเข้าไว้และเราจะทำกุศลศีลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตนให้บริสุทธิ์เมื่อเกิดความ เข็นบุคคลอื่นกินอาหารมัวเมาในอาหารข้าพเจ้าจะเกิดความปลื้มใจว่าเราเป็นผู้งดเว้นในข้อนี้ได้เราชนะตันหาแล้วหนอชนะความอยากความร่านลนในใจแล้วเราไม่เห็นแก่ความอยากไม่เห็นแก่ความหิวโหยเราจะขัดเราจะฝึกฝนจะพัฒนาตัวเราเองไม่ใช่แค่นั้นเราจะไม่ตามใจกิเลสอย่างอื่นด้วย การติดใจใยกสันในการไปหลงละเลงในการดูการละเล่นทั้งหลายเป็นต้นและการประดับประดาตกแต่งสีผิวแม้การนอนการนั่งในสัมผสัสที่นุ่มที่นิ่มที่เป็นปัจจัยตัอตันหาราคะเราเป็นผู้ฝึกตนเองแล้วพร้อมที่จะก้าวหน้าสู่ธุลธรรมเบื้องสูงต่อไปตั้งใจแบบนี้ไหมให้ตั้งใจสมาทานอย่างนี้นี้แหละเราเป็นผู้ตั้งมั่น เราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีกัลยาณธรรมเราเป็นผู้มีศีขาบท8ประการที่มั่นคงแล้วงดเว้นจากการฆ่าเราก็ได้ทำแล้วงดเว้นจากการลักเราก็ได้ทำแล้วงดเว้นจากการถือพรมจรรย์เราก็ได้ทำอยู่แล้วงดเว้นจากการพูดเท็จสอเสียดคำหยาเพื่อเจอ้อเราก็ได้ฝึกตนเองเต็มที่ในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีของมึนเมาไปเปืเป้อนเลย ข้าพเจ้าไม่นำตั้งแต่เที่ยงไปแล้วข้าพเจ้าก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการที่จะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ตามใจละสะตัญหาคือความยินดีพอใจในในการปนเปื้อนริ้นของตนเองไม่ตามใจโพธพาตัญหาคือประดับประดาตกแต่งไม่ตามใจตาที่เป็นไปกับตัญหายินดีในการดูการเล่นฟ้อนลำไม่ตามใจในการที่จะหาที่นอนสัมผัสนุ่มนิ่ม มาถูกต้องกายตนเองให้เกิดตัณหาราคะเราเป็นผู้ฝึกฝนตนเองแล้วหนอเนี่ยฝึกฝนตนเองเพียรพยายามในการจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่อย่างเต็มรูปแบบขอกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นและพ้นทุกข์เป็นผู้มีอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงจากตัณหาราคาเป็นต้นทือ เราได้เดินตามรอยบาทรพระศาสดาแล้วให้ชื่นใจในะยอมนะเราเป็นเราเป็นอุบาสิกาเราได้เข้านั่งใกล้พระพุทธเจ้าแล้วใกล้พระธรรมตอนนี้พระธรรมกําลังไหลยอยู่ในกระแสชีวิตข้าพเจ้าใกล้พระอริยสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านไม่ฆ่าเราก็งดเว้นจากการฆ่าตามท่านท่านมีใจเมตตากรุณาเราก็มีใจกรุณาอย่างท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ลักทรัพย์ตลอดชีวิต เราก็กําลังจะฝึกตนเองเดินตามลอยท่านด้วยพระทหารท่านหลายท่านประพฤติโพรมาจันเราก็กำลังถือโพรมาจันเดินตามรอยของท่านด้วยพระทหารท่านหลายท่านไม่พูดเทสซอรเสียดคำหยาเพิร์เจอเราก็กําลังเดินตามลอยท่านอยู่พระทหารทั้งหลายไม่ดื่มของมืนเมาเรากําลังประพฤติโพรมาจั์เดินตามท่านอยู่พระทหารท่านหลายท่านไม่กินของในยามวิการตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเราก็กําลังฝึกตามท่านอยู่เพื่อบูชาพระรัตนตรัย พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ประดับประดาตกแต่งเราก็ไม่ประดับประดาตกแต่งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่นอนในที่นอนใหญ่และสูงเป็นต้นเราก็ฝึกตามท่านเดินตามรอยพระพุทธเจ้าฝึกเอวัตธรรมมาหมุนในกระแสะชีวิตเดินตามภาริยสงฆ์เนี่ยใครควรไปอย่างนี้ฝึกไปอย่างนี้และชีวิตจะเข้าถึงธรรมะได้จริงจะไม่เป็นการรักษาศีล ต, ตามรูปแบบอีกต่อไป แต่เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเต็มที่เลยหมดเวลาอย่างเอาหมดเวลาแล้วนี่นะเอาไปฝึกตลอดเลยนะนี่ยาบทนั่งเดินก็ให้ฝึกเป็นข้อเป็นข้อไล่ไปอย่างนี้ก่อนถ้าอย่างนั้นมาฝึกสมาธิมันจะไปไม่เป็นเข้าใจอย่างนั้นให้ปรับพื้นฐาน ปรับจิตให้อ่อนโยนปรับกายปรับวาจาปรับใจทัดเด้งให้เป็นศีลตอนนี้ทุกเวลาทุกขณะทุกนาทีให้ทุกท่านนะฝึกปฏิบัติอย่างนี้ก่อพื้นฐานถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจะเดี๋ยวมานั่งคุยเป็นลายบุคคลตอนสอบอารมณ์ตอนอะไรจะเห็นจะรู้ทันทีแล้วตอนนั้นอามาจะให้พวกเรานะอธิบายศีลให้มาฟังแบบนี้นะ ว่าข้าพเจ้าทำแบบนี้แล้วสภาพจิตมันเกิดอย่างนี้แล้วมันเกิดความอาจหารลาเลิงอย่างนี้เกิดความลึกซึ้งอย่างนี้นะอันนี้เป็นการบ้านแล้วเราต้องไปทำเนะเอาไปทำให้เป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆจำได้ไหมเอ้าใครจำไม่ได้ยกมือขึ้ น, นี้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เดี๋ยวมาข้างหน้านี้เดี๋ยวให้จัมหาอานาจเขาติวเข้มอีกรอบหนึ่งนะในช่วงพักเนี่ยไม่ต้องพักดีไหม ที่จริงการเจริญพวกนี้เขาไม่พักนะเขาไม่มีเวลาพักหรอกเขาเจริญไปเรื่อยๆไปยืนก็ได้ไปเดินก็ได้ก่อนในชั้นศีลนี่นะในชั้นศีลเนี่ยเขาฝึกได้ทุกอย่างนะฝึกได้ทุกยาบทอ้าวหมดเวลา